ที่ท่านเรียกว่าขนมทรรมเนียมแล้วทั้งหมดนั้นก็จัดเข้าในศีลพูดว่าศีลคำเดียวก็คลุมหมดแต่ต้องพูดด้วยรู้ด้วยเข้าใจคือคำว่าพรสก็อยู่ในศีลด้วยวัดตะหรือวัดก็อยู่ในศีลการที่เราต้องปฏิบัติวัดต่างๆก็เพราะว่าวัดเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เราต้องทำอย่างนั้นๆเป็นประจา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 พอวินัยมาก็นำศีลให้เกิดขึ้น